แม่ชีส่งกันบ้างวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วใจมันแห้งๆมันไม่อยากกลอบนะคะมันฟุ้งซ่านแลมันเพ่งน้อยแต่ว่าฟุ้งบ่อยขึ้นอมน่มันฟุ้งใชมันฟุ้งเวลาเราภาวนานะสังเกตดูมันมีวงรอบของเราเองแต่ละคนจะดีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปดีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปสมัยหลวงพ่อภาวนาแต่ก่อนประมาณเจดวัน รอบหนึ่งอย่างมันดีๆอยู่นะมันค่อยๆเสื่อมไปแล้วก็ค่อยกลับดีอีก <c oughs> เป็นทุกคนอนะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแล้วไงอีกก็ตอนที่รู้เนียคะ่ะมันรู้เหมือนเหมือนมันรู้ไม่เต็มที่อืมจิตมันมีโมหะจิตมันฟุง้งมันรู้ไม่ถึงฐานมันะ แต่ว่าไม่ต้องตกใจสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นนะให้รู้ลูกเดียวเลยไม่ต้องไปตกตกใจว่าทำยังไงจะรู้ถึงที่มันทำงไงจิตจะถึงฐานทำงไงจะรู้ชัดไม่ต้องทำคำว่ามีสภาวะธรรมรองรับหมายความว่าหมายความว่าเราไม่ได้คิดคิดฝันฝัน เ, เองเวลาภาวนาเนี่ยอย่างไม่ใช่ไปคิดว่าความโกรธไม่ดีอ ย, อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ควรจะโกรธอะไรเงี้ย แต่ต้องมีสภาวะรองรับคือเห็นความโกรธมันผุดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้ดูต้องมีสภาวะรองรับนะหรืออย่างเราจะไปคิดเรื่องปฏิจจสมุปาฏอนะไรเงี้ยคิดยังไงก็ไม่บรรลุมรรคผลอะไรหรอกต้องมีสภาวะรองรับนะเห็นกระบวนการทำงานเขาตอนหน้าตาตาเลยเห็นแล้วก็เจอประจักษ์เลยว่ากระบวนการของปฏิจจสมุปาฏิก็คือการทำงานสืบต่อกันของสภาวะธรรมจานวนมาก ซึสภ า, าวธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวล้วนแต่ไม่ใช่เราทั้งนั้นเลยเ ค, คือจะต้องมีของจริงให้เห็นไม่ใช่คิดเราเองอย่างพูดถึงความโลภก็ต้องเห็นความโลภที่เกิดขึ้นในใจเราจริงๆไม่ใช่โลภอยู่ในตำราความโกรธก็ต้องเห็นจริงๆโมหะก็เห็นจริงๆนะโมหะมีหลายแบบความโกรธก็มีหลายแบบความโลภก็มีหลายแบบ มีลูกเล็กลูกน้อยแตกต่างกันออกไปเยอะแยะอย่างความโมหะเนี่ยมีทั้งความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยความซึมหมดเรี่ยวหมดแรงทางใจไม่สามารถจะรู้อะไรได้รู้ได้ไม่ชัดงั้นให้เราเห็นสภาวะต้องเห็นสภาวะไม่เห็นสภาวะไม่ได้ไม่เห็นสภาวะก็เป็นการคิดเอาเองถ้าเห็นสภาวะแล้วไม่ต้องทาอะไร สภาวะเขาจ ะ, สะแสดงไตรลักษ์ให้ดูเองหรือถ้าเราเห็นจิตใจตัวเองอยู่เนเราจะเห็นกระบวนการทำงานของจิตใจที่จะปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาจะเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่โดยธรรมชาติของผู้ทุชนจะเห็นได้ไม่ตลอดสายจะเห็นท่อนปลายๆก่อนเช่นเห็นว่ามีผัสสะเลยเลยเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะการกระทบอารมณ์ ถ้ากระทบทางตาหูจมูกลิ้นสีทวาร น, นี้กระทบแล้วเฉยฉยไม่มีสุขไม่มีทุกข์ตรงที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่โมหะแทรกง่ายตรงกระทบทางกายกับทางใจนี่มีสุขมีทุกข์ขึ้นมาพอมีความสุขเกิดขึ้นราคะก็แทรกมีความทุกข์เกิดขึ้นโมหะแอดโทสะก็แทรกจะแทรกเข้ามาราคะโทสะโมหะมันแทรกตัวเข้ามาในจิตแล้วเนี่ย มันจะผลักดันให้จิตทำงานนะเช่นโทสะเกิดขึ้นมันก็อยากให้สภาวะอันนี้หายไปนะเกิดตันหาขึ้นโลภะเกิดขึ้นมันก็อยากให้สภาวะนี้คงอยู่นานๆโมหะเกิดขึ้นนะมันก็อยากรู้ให้ชัดๆนะหรือถ้าจิตฟุ้งซ่า น, นก็อยากให้สงบนะความอยากเกิดขึ้นทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นใจจะเกิดการดิ้นรนมันจะเข้าไปจับอารมณ์ให้มั่นๆเข้าไปเกาะ เพราะเวลาใจเกิดความอยากขึ้นมานะใจมันจะทยานเข้าไปเกาะอารมณ์ไปเกาะอย่างแรงๆเลยที่จิตไปเกาะอารมณ์อย่างรุนแรงเรียกว่ามีตัณหามีตัณหาอย่างแรงเนะี่ยตัณหาอย่างแรงนี่แหละเรียกว่าอุปาทานงั้นองค์ธรรมของอุปาทานกับองค์ธรรมของตัณหาเป็นอันเดียวกันคือโลภะคือตัณหา น, นั่นเองแต่ตัวอุปาทานเนี่ยเป็นตัณหาที่มีกําลังแรงกล้าไม่ใช่อยากเฉยๆแต่อยากแล้วก็โดดใส่เลย พอมันกระโดดเข้าไปนะจิตก็ เ, เกิดการทํางานขึ้นมาการทํางานเช่นไปดึงอันนี้ไว้ไปผลักอันนี้ไว้ไปค้นคว้าหาทางทํำยังไงจะรู้ชัดทําไงจิตจะตั้งมั่น น, นี่เรียกว่าการทํางานของจิตการทํางานของจิตนี่แหละเรียกว่าพบชื่อเต็มๆคือคําว่ากรรมมาพบเมืนะ่อจิตมันทํากรรมขึ้นมาเนี่ยนะมันจะรู้สึกว่าเรามีอยู่จะรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆ งันอาศัยการทํากรรมเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเรามีอยู่ตัวเราเป็นความรู้สึกตัวเราจริงๆไม่มีพอมันมีอยู่นะมันก็รู้สึกกายนี้เป็นตัวเราใจนี้เป็นตัวเราขึ้นมามันก็เลยมีที่รองรับความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์มีที่ตั้งนะเนี่ยเราจะเห็นอย่างเก่งที่สุดเห็นได้เท่านี้แหละเราจะไม่สามารถทวนลงไปเห็นเช่นว่าวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนี่ เริ่มดูยากล้วหลวงพ่อยังไม่เจอว่าปุถุชนเห็นตรงนี้วิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปล้วจะคิดเรื่องแต่ว่าเกิดปฏิสนธิจิตลงในภพใหม่อันนี้ปุถุชนเห็นได้แต่ว่าจิตที่หยั่งลงไปนะแล้วก็เกิดกายเกิดใจขึ้นมาเนี่ยมองไม่เห็นตัวเนี้ยไม่เห็นจะเห็นตรงนี้ได้ต้องทำจิตเข้าไปอัปปนาเลยนะแล้วดับ ลงไปเลยดับความรู้สึกลงไปให้ได้หรืออย่างน้อยๆ น, นะเข้าไปถึงเนวสัญญาแต่ตอนที่จิตที่อยากผุดขึ้นมานี่มันจะเห็นมันจะความปรุงแต่งมันจะผุดขึ้นมาก่อนพอความปรุงแต่งผุดขึ้นมาแล้วก็เกิดจิตขึ้นมามีมีจิตขึ้นมาที่ไปรับรู้ความปรุงแต่งนั้นนี่ความปรุงแต่งเนี่ย ปรุงปรุงจิตขึ้นมาจริงๆมันเกิดร่วมกันเลยนี่พอจิตเนี่ยย่างลงไปรู้กายกายก็ปรากฏย่างลงไปรู้จิตจิตก็ปรากฏรู้นามธรรมา ท, ที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้เห็นยากมากแล้วตรงที่ยากสุดๆเลยเอาวิชานให้วิชานนี่สุดยอดแล้วอย่าว่าแต่ปุถุชนไม่เห็นเลยพระนาคามีก็ไม่เห็น ถ้าเห็นถึงอวิชานะาวิชาก็เกิดขึ้นมาแล้วทำลายความปรุงแต่งจิตังไม่หยั่งลงในภพใดๆจิตจะไม่ทำงานขึ้นมาเนี่ยการภาวนาไม่ใช่อย่างเราอ่านพุทธประวัตินะว่าพระพุทธเจ้าพจาิจารณาปฏิจจสมุ ป, ปบาทก็นึกว่าท่านคิดคิดเอาหลายคนคิดว่าคนอื่นคิดไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าแล้วคิดแล้วบรรลุพระอรหันต์ได้เข้าใจผิด ถ้าหากคิดเอาเองแล้วบรรลุพระอรหันต์าาได้นะทางสายเอกทางสายเดียวก็จะไม่มีมันจะมีทางสองสายเป็นทางสําหรับคนทั่วๆไปสายหนึ่งคือการเจริญสติปัฏฐานกัทางเฉพาะพระพุทธเจ้าคือคิดคิดเอาเองแท้จริงไม่ได้มีอย่างนั้นนะทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีอยู่ทางเดียวคือสติปัฏฐานนี้พระพุทธเจ้าบารมีแก่กล้าท่านทําสติปัฏฐานในหมวดสุดท้ายในบัคสุดท้ายเลย หมดสุดท้ายเลยก็คือธรรมานุปัสสนาในบับสุดท้ายเลยคือเรื่องอริยสัจเห็นอริยสัจนั่นเองนี่กระบวนการเห็นอริยสัจของท่านนะท่านเห็นละเอียดแล้วนท่านเห็นมาไล่มามีสภาวะรองรับมาตั้งแต่มีทุกข์ขึ้นมามีทุกข์เพราะมีชาติมีชาติเพราะมีภพมีภพเพราะมีอุปาทานมีอุปาทานเพราะมีตัณหามีตัณหาเพราะมีเวทนาความจริงนี่อย่างย่อนะ อย่างละเอียดอย่างที่หลวงพ่อกระจายให้ฟังเะื่กี้อย่างก่อนที่เวทนาจะแปลสภาพเป็นตัณหาเนี่ยมีกระบวนการทํางานทั้งเยอะๆมันจะมีกิเลสแทรกเข้าในเวทนาก่อนมีกิเลสแทรกเข้ามาก็จิตนั่นแหละมันเลยเกิดความอยากไปด้วยอํานาจของกิเลสนี่เราต้องค่อยภาวนาไปนะเท่าที่เห็นได้ก่อนไม่จําเป็นต้องเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาททั้งสายถ้าโสดาบันเหมือนเหมือนจะเห็นทั้งสายนะ พระโสดาบันรู้สึกว่าเข้าใจปฏิจจสุบัทจริงๆไม่เข้าใจหรอกอย่างพระนนท์เคยไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทเนี่ยปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื้นเหมือนเป็นของตื้นตรงนี้ก็เกิดตีความกันใหญ่ว่าทําไมพระนนท์ว่าตื้นเขาบอกพระนนท์จีเนียสมากฉลาดก็เลยรู้สึกตื้นตื้น พระนรนท์ท่านเห็นแจมแจ้งจริงๆท่านจะเป็นพระอราหันต์นะสิ<ม>พระพุทธเจ้าถึงห้ามบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นนะพระนอรินท์ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกนักตราบใดที่ไม่เห็นแจ้งปฏิจจสมบาทินี้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกคําว่าเห็นแจ้งปฏิจจสมบาทนั้นก็คือเห็นลงมาถึงเอาวิชาเลยไม่ใช่เห็นอยู่ผิวผิวบนบนหรอกพวกเราจะเห็นผิวผิว เห็นท่อนปลายๆเห็นที่เป็นผลผลมันแล้วนะเราไม่เห็นรากเห็นเงามันงั้นอาศัยความภาคเพียนรู้กายภาคเพียนรู้ใจไปเรื่อยนะไม่ท้อถอยรู้ทุกวีทุกวันรู้ไปเรื่อยๆเมื่อไหร่เข้าใจความเป็นจริงของกายแจ่มแจ้งเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจแจ่มแจ้งนั่นแหละเรียกว่าวิชาจะละอวิชาลงไปอวิชาคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทยัยไม่รู้นิโรจไม่รู้มรร ไม่รู้ทุกเนี่ยตัวต้นต่อพาไม่รู้ทุกคือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุก์ไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษพาไม่รู้ทุกอย่างนี้มันก็เกิดสมูทยัยไหมเนี่ยเพราะไม่รู้ทุกนะจึงเกิดสมูทยัยส่วนที่พวกเราเรียนกันได้เนี่ยเห็นภาวนาเบื้องต้นเราจะเห็นว่าถ้ามีสมูทยัยเราจะเกิดทุกมีตันหาขึ้นมาแล้วใจถึงจะมีความทุกข์รู้สึกไหมเกิดความอยากคนทั่วๆไปยังไม่เห็นด้วยนะแค่นี้ก็ไม่เห็นละ คนทั่วๆไปเห็นว่าถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์ส่วนนักภาวนาเนี่ยจะเห็นเลยแค่มีความอยากเกิดขึ้นจะสมอยากหรือไม่สมอยากจิตก็ทุกข์แล้วเพราะจิตต้องทํางานเนี่ยนึกว่าเข้าใจอริยสัจไม่เข้าใจหรอกลําพังเห็นว่าเพราะมีสมุทัยจึงเกิดทุกข์นี่อย่างตื้นต้องเห็นว่าเพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัยนี่ถึงจะลึกซึ้งจริงไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นก้อนทุกข์นะเป็นตัวทุกข์เป็นธาต ถ้าที่มันเป็นทุกข์เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์คิดว่าเป็นตัวดีตัววิเศษที่ว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยเพราะความไม่รู้แท้ๆเลยมันก็เกิดความอยากที่จะให้กายนี้ใจนี้มีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์มีความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากใจก็เกิดการดิ้นรนพอใจดิ้นรนเกิดความทุกอีชนิดหนึ่งขึ้นมาความทุกข์เพราะตัณหาไม่ใช่ความทุกข์เพราะขัน ในขณะที่ตัวริยสัตว์เนี่ยนะความทุกคือทุกขของขันนะขันนั่นคือตัวทุกท่านถึงสอนว่าว่าโดยย่อ อ, อุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกขทําไมต้องมีคําว่าอุปาทานทําไมไม่บอกว่าว่าโดยย่ อ, อขันห้าเป็นตัวทุกเพราะขันห้าบางตัวไม่ใช่ตัวทุกขขันห้ายังมีสองส่วนนะส่วนที่เป็นตัวทุกกับส่วนที่ไม่ใช่ตัวทุกขส่วนที่ไม่ใช่ตัวทุกคือบรรดาโลกุตตะรจิตทั้งหลาย เพราะงั้นเราจะไม่เอาโลกุตตะลจิตมาทําวิปัสสนานะเพราะไม่มีจะทําด้วยให้เราใช้จิตธรรมดานี่แหละจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นวิบากพื้นพื้นี่แหละให้คอยรู้คอยดูมันเรื่อยๆไปแต่ถ้าภาวนาไปจนถึงเห็นมหากริยาจิตจิตของพระอราหันต์แล้วก็ไม่มีหน้าที่ต้องทําวิปัสสนาอีกราะงั้นวิปัสสนาเราใช้จิตพื้นพื้นนี่แหละจิตมนุษย์ธรรมดานี่แหละ การที่เป็นมนุษย์นะัถึงดีที่สุดวิเศษที่สุดเลยเพราะว่าเรามีจิตที่เหมาะกับการทําวิปัสสนามากเลยจิตของโล์มยังไม่ค่อยเหมาะนะมันนิ่งเกินไปมันมันคงที่มากไปแต่จิตมนุษย์เนี่ยกลับกรอกรวดเร็วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารวดเร็วมากเลยแสดงไตรลักอย่างรวดเร็วเลยนะพอเราเห็นใจรักซ้ําแล้วซ้ําอีกนะตลอดเวลาอยู่นะั้นไม่นานใจก็ยอมรับความจริงได้ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่เราหรอกนี่ได้โสดาแล้ว แล้วก็ดูกายดูใจไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งแจ่มแจ้งเลยกลายนี้ทุกร้วนร้วนนะไม่ยึดกายได้พระนาคาดูลงไปอีกนะถึงจิตถึงใจแล้วปล่อยวางจิตได้นะไม่ยึดจิตนะถึงจะจบจิตทางาศาสนาแล้วก็ไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกละใจจะล่อนอยู่ตลอดเวลาเลยนะใจจะไม่เข้าไปเกาะไปเกี่ยวอะไรโดยที่ไม่ต้องระวังรักษาเลยทั้งหลับทั้งตื่นเลยนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมันจะมีแต่ความเป็นอิสระเบิกบานอยู่ร้วนรวนอยู่อย่างนั้นเอง เพรานเราต้องรู้ลงมานะรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจจนรู้แล้วกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันจะสลัดคืนไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจคืนกายคืนใจให้โลกเข้าไปไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเนี่ยสมูทัยจะดับอัตโนมัติเพราะสมูทัยมันคือความอยากให้กายให้ใจมีความสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ทำไมต้องอยากอยากเพราะว่ามันเป็นตัวเรา พอมันไม่เป็นตัวเราแล้วสลัดคืนสลัดทิ้งไปแล้วจะอยากทําไมเห็นไหมสมูทายดับเองนะเพราะว่ารู้ทุกแ่มแจ้งสมูทายจะดับอัตโนมัติเลยทันทีที่สมูทายดับเนี่ยนิโรธจะปรากฏในขณะนั้นเลยคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่มีสภาวะที่ต้องเข้าเข้าออกออกนิพพานที่เข้าเข้าออกออกไม่ใช่นิพพานตัวจริง ย่งต้องนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเคลิมดับลงไปหมดความรู้สึกบอกเข้านิพพานไม่ใช่นิพพานไม่อนาถาอย่างนั้นนะนิพพานไม่ได้เกิดไม่ได้ดับนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่อย่างนี้เองครอบโลกธาตุทั้งหมดอยู่อย่างนี้เองแต่ไม่มีความเกิดไม่มีความดับเที่ยงมีแต่สันติสุขมีความสุขมหาศาลนะจิตที่ไปรู้นิพพานก็ได้รับความสุขของนิพพานนั้นมหาศาลเลย นิพพานไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐนะิเรียกนัตถิกาทิฏฐิไม่มีอะไรเลยหรือศูนย์ไปหมดเลยเรียกอุเฉตทิฏฐนะิแต่นิพพานไม่ใช่สิ่งที่ว่าเป็นพบ อ, อันแดนหนึ่งที่มีขันอยู่อนะันนั้นเป็นสัตจสถาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดนึงนิพพานเป็นอะไรนิพพานก็เป็นนิพพานสินะถามว่านิพพานเที่ยงไหมเที่ยงนิพพานเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นิพพานมีความสุข นิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตานะไม่มีเจ้าของไม่มีใครจะเป็นเจ้าของครอบครองนิพพานนิพพานไม่เคยเต็มนะหมายถึงว่าไม่เคยมีเจ้าของไปจับจองพื้นที่ยจนเต็มพื้นที่ได้จริงๆริงนรกก็ไม่เต็มเหมือนกันเรทุกคนสร้างของตัวเองได้ตอนรกตรงนี้คับแคบแล้วนะเราทําชั่วมากๆมันก็สร้างขึ้นมาอีกสร้างของตัวเองได้การที่เรารู้กายรู้ใจจนเราเห็น ความจริงของกายของใจแล้วก็หมดความอยากให้กายให้ใจมีความสุขหมดความดิ้นรนแล้วเข้าถึงสันติสุขคือนิพพานการรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจชนิดนี้เรียกว่าการดําเนินอริยมรรคคืออริยมรรคนะเพราะงั้นอริยมรรคบอกพวกเราเจริญมรรคเจริญมรรคมรรคที่พวกเราเจริญยังไม่ใช่อริยมรรคมรรคที่พวกเราเจริญเรียกว่าบุพภาคมรรคมรรคเบื้องต้นไม่ถือว่าเป็นอริยมรรค แต่สายบูพพาคมารู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้ า, ขานี่วันหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยมันรู้อริยสัจอ ร, ริยสัจแต่รู้ตามชั้นตามภูมิโสดาก็รู้เหมือนกันรู้สิ่งเดียวกันนั่นเองเสร็จแล้วก็ไปเห็นนิพพานอย่างเดียวกันนั่นเองแต่ความเข้าใจเนี่ยไม่เท่ากันนนี่ครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อมานะหลวงปู่สุวัตรนะเราภาวนาแล้วไปถามท่านนะท่านก็บอกสงสัยอะไร นะพระสกีทาคาพระนาคาพระอาหารหนะัน์นีก็เห็นของเดียวกันเห็นสิ่งเดียวกันอนะแต่ความรู้ความเข้าใจมันไม่เท่ากันไม่มีอะไรยิ่งกว่า น, นี้แล้วนะไม่มีอะไรยิ่งกว่า น, นี้แล้วงั้นสิ่งที่แตกต่างกันนะของพระเดียะเจ้าแต่ละชั้นก็คือความเข้าใจเนี่ยไม่เท่ากันแต่พระเดียะเจ้าชั้นเดียวกันก็เข้าใจไม่เท่ากันนะถึงความบริสุทธิ์อย่างเดียวกันนะ แต่ความรู้ความเข้าใจความแตกฉานยังไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าจะสร้างบารมีมาทางไหนบางอ ง, งสร้างบารมีมาในทางเจริญเมตตามากนะพอหมดตุลาแล้วก็อยู่กับเมตตาคนไปเต็มวัดเลยคนไปเต็มวัดคนชอบรื่มเข้าใกล้ก็มีความสุขล่ะบางอ ง, ง น, นะท่านสร้างฐานะบบารมีมาเยอะด้วยสร้างเมตตาเยอะด้วยนะ ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนะ่ะหรูหรามากเลยอย่างโลภงุเทศนะถ้วยชามที่ฉันใช้เนี่ยคริสตัลแก้วจีระไนนะตอนท่านวรณภาพเผาศพท่านแล้วถวายเพลิงแล้วนะกระดูกท่านใส่โกรทองประดับเพชรพลอยเนี่ยท่านสร้างของท่านมาครูบาอาจารย์บางองค์โจนจนนะอย่างโลภงูดูนไม่ค่อยมีอะไรหรอก ไม่ค่อยมีอะไรจะฉันแต่ละวันไม่ค่อยมีอะไรให้ฉันเท่าไหร่นะคนสุดริ่นจนจริงๆแต่ท่านมีสิ่งที่คนอื่นไม่มีคือมีปัญญาที่ไม่มีใครเหมือนเลยไม่เคยเห็นใครเหมือนท่านเลยงั้นตั้งใจภาวนาด้วยการรู้กายรู้ใจไปนะเรียกว่าเจริญมรรคเบื้องต้นรู้กายรู้ใจรู้ไปตามที่เขาเป็นเราจะรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นได้ต้องไม่ทำสองอย่างอย่าใจลอยไปอยยบเผลอไปอยมตะคิด ถ้าเผลอไปใจลอยไปไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้อันที่สองอย่าไปเพ่งไว้อย่าไปกําหนดไว้อย่าไปปกคองไว้รุ่นหลังๆชอบกําหนดชอบปกคองนะมันเพี้ยนเพียนไปหมดแล้วสติไม่ได้แปลว่ากําหนดสติแปลว่าความระลึกความระลึกได้กําหนดมันภาษาเขมรแปลวะ่ากดกําหนดคือคําว่ากดนั่นเองแหละต้องกดเอาไว้ จะได้รู้ชัดๆไม่ให้มันดิ้นจะได้เห็นมันชัดๆใช่ไหมเว้ <c oughs> นี่เป็นตัวอะไรตัวหนึ่งกดเหมือนใบเนี่ยได้ดูมันให้ชัดๆ <c oughs> เสร็จแล้วมันดิ้นไม่ได้มันดิ้นไม่ได้มันไม่มีไตรลักษณ์ให้ดู <c oughs> ต้องปล่อยนะปล่อยให้กายให้ใจเขาเคลื่อนไหวไปให้เขาทำงานไปแล้วก็มีสติตามรู้เข้าไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปบังคับเขานุ่นหลังๆนะคาสอนครูบาอาจารย์บางสานักนะครูบาอาจารย์ชั้นเลิศเลย อย่างหลวงพ่อเทียนนะคูบาาจารชั้นเลิศเลยหลังๆก็เริ่มถ่ายทอดกันคลาดเคลื่อนไปนะเนี่ยสำนักอื่นก็เป็นนะแต่ว่าหลวงพ่อไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขาตีเอาสำนักหลวงพ่อเทียนนะคุ้นเคยกันพูดได้เต็มปากอย่างหลวงพ่อคําเขียนท่านก็รับรองหลวงพ่อสายหลวงพ่อเทียนเลยไม่มาด่าหลวงพ่อสายอื่นไม่ได้นะต้องยกตัวอย่างสายนี้หลวงพ่อเทียนบอกว่าเคลื่อนไหวให้รู้สึกใช่ไหมหยุดให้รู้สึกเคลื่อนไหว หยุดรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดให้รู้สึกให้รู้สึกนั่นเองให้รู้สึกนะแล้วท่านสอนด้วยว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางการปฏิบัติสอนตรงนี้นะเพราะงั้นถ้าไม่รู้ว่าจิตคิดเนี่ยรู้แต่ว่ามือเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้ต้นทางนะ<ม>แล้วท่านสอนอีกบอกว่าการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดทําไมสั้นอนะ่ะเพราะว่ากุศลอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลนิพพานเกิดที่จิต ท, ทั้งหมดเลย งั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ที่สอนได้ขนาดนี้อย่างองค์อาจกล้าหาญนะเห็นแจ้งแล้วสอนอย่างนี้มีไม่มากนักหรอกนี่ท่านสอนได้เต็มชั้นเต็มภูมิเลยพอท่านตายไม่เท่าไหร่นะแต่หลวงพ่อเห็นร่องรอยตั้งแต่ท่านยังอยู่แล้วล่ะเข้าไปวัดท่านที่วัดสนามในนะท่านมีศาลาไม้แคบแคบนะแคบแคบแต่ยาวๆเลยท่านขยับไปท่านรู้สึกไปลูกศิษย์ขยับนะเพ่งไงเพ่งใส่มือกลัวจะเผลอกลัวจะเผลอเพ่งเพงเพงเพ่ ง, พ ง, พ ง, พ ง, พง อีกพวกหนึ่งคิดเฮ้ยท่านี้แล้วท่าต่อไปอยังไงวะท่านี้ท่านี้นี่ก็อย่างดีนะอีกพวกหนึ่งขยับไปโน่นหนีไปนอกวัดละนะใจหนีไปนอกวัดละเนี่ยนั่งดูพลาดไปนี่ท่านสอนโยมอยู่นะที่เห็นพระท่านคงมีดีๆแต่ไม่เห็นตอนนั้นเห็นท่านสอนโยมเต็มสาราเยอะเหมือนกันเดยาวๆดูพลาดไปไม่มีลูกศิษย์หลวงพ่อเตียนสักคนเลยมีแต่ลูกศิษย์หลวงพ่อเพ่งทั้งนั้นเลย <c oughs> <c oughs> แก่ลูกศิษย์หลวงพ่ อ, ผอเผลอ เราดูครูบาอาจารย์ดูหลวงพ่อเทียนโอ้โหหมดจดงดงามนะใจไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรภาวนาดีตอนหลังๆไปเจอหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าอนุโมทนากับหลวงพ่อนะสอนเรื่องสติดูสิสมัดบอกว่าอนุโมทนาเราสอนเรื่องสติบอกไม่มีใครสอนไม่มีคนสอนมีแต่คนสอนใ ห, ให้ทำอะไรก็ไม่รู้อ้อม อ, อมเนี่ยตอนหลังๆถึงขนาดสอนกันนะว่าเบื้องต้นนะเพ่งไว้ก่อนนะ เพ่งไปก่อนแล้วค่อยไปปล่อยทีหลังวิธีที่หลวงพ่อประโมทสอนนะ่ะถูกต้องคําสอนของหลวงพ่อประโมทถูกต้องแต่ยากเกินไปนี่จะเกิดคําสอนชนิดนี้ขึ้นมาไม่บอกว่าหลวงพ่อสอนผิดนะแต่บอกว่ายากเกินไปขั้นต้นต้องเพ่งไว้ก่อนมันคือสิ่งที่หลวงพ่อเตียนห้ามนั่นแหละสิ่งที่หลวงพ่อเตียนห้ามหลวงพ่อเตียนไม่ชอบให้ทําสมถานะเพราะท่านอยู่ตะก่อนท่านอยู่ทางอีสานะท่านเห็นแต่คนเพ่งติดสมถากันเป็นแถบแถบนะท่านเลยแอนตี้สมถะ จะถามว่าเราท่านมีสมถะไหมมีนะไม่ใช่ไม่มีเนี่ยเพราะงั้นอย่าไปเพ่งเอารู้สึกเอาร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกจิตเคลื่อนไหวให้รู้สึกนี่ลงพ่อเทียนก็พูดคํานี้ร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกรู้สึกคืออะไรรู้สึกคือไม่เผลอลืมกายลืมใจไปไม่ได้ไปเพ่งไว้ให้แค่รู้สึกเห็นไหมมันเข้าทางสายกลางอย่างนี้เพราะงั้นรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกในกายรู้สึกในใจถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นเลย ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันจะเห็นตรงนี้ได้ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อจิตเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาก่อนจิตมีความตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาจิตที่มันมีสัมมาสมาธิพอมันมีสัมมาสมาธิและปัญญาถึงจะเกิดถ้าขาดสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิดจำไว้นะสัมมาสมาธิไม่ใช่นั่งอย่างนี้ไม่มิจฉาสมาธินะอหรือนั่งแล้วก็ หลงพ่อทำหน้าให้ดูนะข้างในก็ทำนะเมื่อกี้ถ้าดูเป็นก็ดูได้ทำประกอบโชว์ทั้งภายในภายนอกให้ดูเอาเองใจมันจะเลื่อนลอยออกไปเคลิมมรมแหมเบาแหมทำอย่างเงี้ยหรืออีกพวกหนึ่งก็เครียดนี่น่ากลัวไหมมันผิดหมดนะมันผิดหมดมันไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริง สมาธิที่พวกเราฝึกส่วนใหญ่จะเป็นมิจฉาสมาธินี่หลวงพ่อเมื่อก่อนเคยอยู่กับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเนี่ยคนชอบท่านเยอะรักท่านเยอะท่านเมตตาสูงมากเลยคนไปอยู่เต็มวัดเลยกลางคืนก็ขยันภาวนาเพราะหลวงปู่ชอบให้ภาวนาลูกศิษย์ก็ต้องส่อสู้ต้องภาวนาเพราะหลวงปู่ชอบรักหลวงปู่หลวงปู่สั่งภาวนาต้องทะ แล้วกลางคืนเราก็ไปดูเขาภาวนานั่งในโบสถ์นะ่ะเต็มบสถเลยแต่โบสถ์ท่านไม่โตเท่าไหร่รอบๆโบสถ์ก็นั่งกันเยอะๆะนะบางทีก็เดินจงกรมอะไรเยอะดูๆแล้วมันไม่ใช่นะใจมันมันไม่ใช่นะพวกหนึ่งก็นั่งทําวิจฉาสมาธิเคลิ้มไปเลยพวกหนึ่งก็นั่งบังคับตัวเองไปพวกหนึ่งก็เดินเคลิ้มใจลอยไปพวกหนึ่งก็เดินเพ่งตัวเองไวนะ้เพ่งร่างกายเดินใจก็นึกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ไม่เห็นใครภาวนาเลยอย่างนี้นะตอนเช้าตามคุณป้าคนหนึ่งเข้าไปเขาจัดดอกไม้เข้าไปถวายท่านตอนเช้าเนี่ยอินมากเป้งนะเขมีคนดูแลแต่ละด้านห้ามก้าวไก่กันนะก้าวไก่ตีกันเลยมีผู้ผู้ยิ่งใหญ่แต่ละด้านเพราะฉนั้นถ้าเราอยากถวายดอกไม้นะเราต้องไปให้ป้าคนนี้อยากถวายขนมต้องไปให้แม่ชีท่านนี้เนี่ยถวายอาหารต้องให้แม่ครัวคนนี้ ตอนเช้าตามเข้าก็ไปท่านาหันมามองยิ้มยิ้มวัดนี้เขาไม่ภาวนากันแล้วละ่ะเหรอหลวงปู่หลวงปู่ด่ดาเข้าให้แล้วมัใช่ไรมวัวต่ดูคนอื่นนะดูคนอื่นรู้สแอบดูนะแอบดูเช้าท่านยังเล่นงานได้คนก็งงๆนะเออภาวนากันเป็นร้อยท่านบอกไม่ภาวนา นี่ที่ว่าไม่เภานาก็คือใจไม่ดําเนินในทางสายกลางนั่นเองใจสุดตรงสองด้านด้านเผลอตามกิเลสไปชุ่มด้วยกามเรื่ดเพลินไปในโลกของความคิดความฝันอีกด้านหนึ่งอยู่ในด้านของความแห้งแรงกันดารบังคับกายบังคับใจเพ่งเอาไว้แข็งแข็งเนี่ยเป็นสุดตรงกันสองด้านมันไม่ใช่รู้ ภาวะแห่งการรู้เนี่ยจะไม่สุดโต่งสองด้านนี้ไม่เพลิดเพลินตามกิเลสไปชุ่มไปด้วยกามชุ่มไปด้วยกิเลสไม่บังคับกายบังคับใจจนแห้งผากแล้วมีความสุขมีความอบอุ่นใจมีความนุ่มนวลอ่อนโยนเบาสบายในการรู้กายรู้ใจทางสายกลางมันเดินกันตรงนี้หลวงพ่อเล่าให้โยมฟังสองสามครั้งแล้วพวกนี้ยังไม่เคยฟัง บอกพุทธเจ้าแสดงธรรมจักะนะธรรมจักนั้นะปฐมเทศนาอะไรเริ่มต้นนะบอกไม่ทำสองอย่างไม่ทํากามสุขาลิการุโยคทําตนให้ชุ่มด้วยกามไม่ทาําอัตตกิริมาฐานุโยคทําตนให้ลําบากสอนตรงนี้เสร็จแล้วก็สอนเรื่องการเดินอริยมรรคทางสายกลางปัญจวัคคีย์คนเดียวที่รู้เรื่องอีกสท่านไม่รู้เรื่องยังไม่ได้โสดาปัญจวัคคีย์ได้โสดาเพราะอะไรรู้ไหมคุณภาพการฟังไม่เหมือนกัน สท่านอันนี้เด า, เานะไม่มีในคำภีนะ4ท่านเนี่ยคิดแต่ในทางร่างกายคิดแต่ทางวัตถนะุเช่นการสุขาริการุโยคก็คือไปกินเหล้าเมายาร้องราทําเพลงนะไปกอดอีนูอะไรเงี้ยเรียกการสุขาริการุโยคเป็นเรื่องทางร่างกายเพราะงั้นเรามาบวชแล้วเนี่ยเราไม่ได้สุกพ่ีงั้นถือว่าไม่มีการสุขาริการุโยคนะถือว่าชั้นไม่มีอยู่แล้วอีกพวกหนึง่ง นะพอมาถึงอัตตกิริมัฐานโยโยกเขไปคิดว่าคือการทรมานร่างกายอดข้าวอดนอนยืนขาเดียวกลั้นลมหายใจอนะไรเงี้ยเพราะเราไปติดที่พุทธประวัติตรงที่ท่านทรมานกายเราก็เลยไปโมเมลว่าอัตตกิริมัฏฐานุโยคนี่ทรมานกายอย่างเดียวนะท่านปัญญาพุคีทั้งหมดท่านก็รู้สึกว่าท่านบวชแล้วท่านไม่ได้ทรมานกายไหมเพราะงั้นเนี่ยท่านไม่ได้ไปชุ่มด้วยกามไม่ได้มีอิหนูท่านไม่ได้ทรมานกายท่านก็อยู่ทางสายกลางแล้วสิ ถ้าแค่นี้ทางสายกลางนะพระทั้งโลกก็เป็นพระอริยะหมดแล้วละ่ะทำไมไม่เป็นอนะ่ะทางสายกลางมันไม่ตื้นอย่างนั้นทางสายกลางเป็นเรื่องทางจิตใจนะหรือทางสุดโตรก็เป็นเรื่องทาง จ, จิตใจก่อนที่มันจะไปชุ่มด้วยกามทางกายได้มันต้องชุ่มด้วยกามทางใจก่อ น, ใ, นใจนี้แหละเพราะงั้นอยู่ในวัดเป็นพระใช่ไหมมันยังชุ่มในกามได้อีกมันคิดถึงกามได้อีกปรุงไปในกาม การมีอะไรกามก็คือความเพลิดเพลินพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะไม่ได้ไปเพลิดเพลินด้วยร่างกายนะก็ไปเพลิดเพลินด้วยใจได้เรียกว่าการมาทำกามมาทำเพลิดเพลินในใจถ้าใจเรายังเพลิดเพลินตามอำนาจของกิเลสนี่เรียกว่าไม่สายกลางต้องต้องใจเพลิดเพลินไปก่อนเนากกายมันถึงจะไปเพลิดเพลินได้ส่วนการกดข่มตัวเองบังคับตัวเอง มันกดข่มใจก่อนนะเพราะงั้นอย่างเราภาวานาสังเกตไหมเรากดข่มใจก่อนกดข่มใจแล้วรู้สึกว่ายัางไม่พอต้องไปกดข่มกายด้วยนี่อดข้าวยืนขาเดียวเอาเชือกผูกขาห้อยไว้กกลางอากาศผูกต้นไม้ไว้ทรมานมันกิเลสจะได้ลดเห็นไหมมันมาจากทรมานใจก่อนนะใจมันมันกดข่มใจก่อนแล้วก็ทรมานใจไปตลอดสายที่ทรมานกายนะั่นแหละ เนี่ยปัญปญาวาคัคีก็ไปมองแค่นี้ส่วนท่านโกนทัญญาเนี่ยท่านรู้เป็นเรื่องทางใจในเมื่อทางสายกลางเป็นเรื่องทางใจนะความสุดโต่งก็เป็นเรื่องทางใจถ้าความสุดโต่งมีแต่เรื่องทางกายทางสายกลางหลุดไปเรื่องทางใจไม่แมตกันนะเนี่ยพอท่านรู้ว่าใจของท่านไม่เพลิดเพลินตามกิเลสไปใจของท่านไม่กดขมบีบขั้นบังคับไว้ใจของท่านให้มีสติรู้สภาวะตามที่เขาเป็นท่านก็เลยได้พระโสดาบัน อีกสี่องยังไม่ได้ก็ฟังครั้งที่สองได้อีกองคหนึ่งครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5พระอาตสชิฟังหครั้งเลยเข้าใจปิ้งขึ้นมาพวกเราฟังต้องหลายครั้งหน่อยนะอย่านึกว่าวิเศษนักนะขนาดพระอาตสชิบําเพ็ญบารมีมานะแสนแสนมหากรับแลถึงเปล่าไม่รู้นะจำไม่ได้ละบําเพ็ญบารมีมาม า, มากนะไม่ถึงนะไม่ใช่เอกตักคนะแต่ก็มากอะนะ ยังต้องฟังพระพุทธเจ้าเลยนะไม่ใช่ฟังพระกระจอกชื่อปราโมทเทศนะฟังพระพุทธเจ้าเทศต้องฟังห้าครั้งถึงจะได้โสดาเนี่ยงั้นพวกเราอดทนนะฟังแล้วฟังอีกฟังลงไปเพราะเราก็ไม่เท่าพระอาตชิคนแสดงให้เราฟังก็ไม่เท่าพระพุทธเจ้านะช่วยไม่ได้บารมีอยากน้อยเองงั้นฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วสังเกตใจของตัวเองไปนะ อย่าท้อถอยคนฟังหลวงพ่อจนจิตตื่นขึ้นมานับไม่ถูกแล้วนะไม่รู้ว่ากี่ร้อยคนแล้วบางคนฟังซีดีอย่างเดียวก็ยังรู้สึกตัวภาวนาได้นะมีมารายงานเรื่อยๆนั้นอดทนไปฟังไปเรื่อยๆฟังฟรีไม่เก็บตังค์เลยลืมตรวจกันบ้านเลยคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องอนะ่ะได้อีกคนนึงกรัมมาสการ์ค่ะเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าอย่าคิดมากอืมก็ สุดแล้วทําไม่ได้ค่ะไม่ส์มายความว่ามันไม่สามารถทําไดไ้ไม่แม่อย่าคิดมากของหลวงพ่อหมายถึงว่าอย่าไปช่วยมันคิดส่วนจิตเนี่ยมันคิดทั้งวันอยู่แล้วต่อไปนี้พอจิตมันไหลไปคิดนะรู้ทันแวบเลยอย่าไปช่วยมันคิดภาษามนุษย์นะับางทีไม่ค่อยสื่อลนะํ <laughs> าบากตัวสภาวะธรรมก็คือปล่อยให้จิตมันคิดไปแล้วมีสติรู้ทันอย่าไปช่วยมันคิดสมมติ ว, ว่า อยู่ๆมันคิดถึงยายชีคนนี้อยู่วัดเดียวกับเรา ท, ที่ที่อื่นนะเกลียดเกลียดมันอยู่ๆก็คิดถึงมันนะให้มีสติรู้ว่าไปคิดถึงเขาแล้วให้มีสติรู้ว่าโทสะเกิดให้รู้อย่างนี้นะไม่ใช่ไปช่วยเขาคิดช่วยเขาคิดมีหลายแบบนะช่วยเพิ่มกิเลสแต่ช่วยแบบสู้กิเลสช่วยเพิ่มกิเลสก็คือเอป่านนี้มันคงตายไปแล้วมันทําชั่วมากนะช่วยแบบเพิ่มกิเลสตัวเอง อีกช่วยอีกช่วยหนึ่งช่วยข่มกิเลสอย่าไปโกรธเขาเลยนะ่นะแล้วเขาเข้าหลงผิดไปชั่วครั้งชั่วครายในเขาคงจะดีเห็นไหมขณะที่ไปช่วยคิดเพื่ออย่าไปสู้กิเลสลืมตัวเองอีกแล้วนะงั้นเราใจของเรานะเหมือนเรืออยู่ในแม่น้ําทอดสมอไว้ไม่ไหลาตามน้ําไปไม่ต้านน้ําให้น้ําไหลผ่านไปปล่อยให้ความคิดให้จิตใจนี่แหละทำงานไปปกติไม่ไปต้านมันปล่อยนะนะมีหนะ้าที่รู้ลูกเดียว แต่อย่าไปคล้อยตามมันพอรู้เรื่องไหมสำนวนนี้มันต้องเข้า ใ, ใจค่ะออต้องเปลี่ยนสัมนวนเวลาที่มันมีความคิดเกิดนะคะมันมันเห็นเหมือนว่ามีหมาความว่าความคิดกับสิ่งที่มันคิดนะมันคนละอย่างกันใช่นะแล้วคนที่รู้ว่าคิดก็มีอยู่ต่างหากนะมันขั น, นากระจายตัวออกไปเห็นไหมเรื่องราวที่คิดอันนึงใจที่คิดอันหนึง่ง ให้รู้อาการที่ใจคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดรู้เรื่องที่คิดเป็นการรู้อารมณ์บัญญัติคนที่ไม่ภาวนาก็รู้เหมือนกันหมาก็รู้นะอย่างไอ้เหลืองมันคิดได้นะหมาก็ฝันเป็นนะไม่ใช่ว่าหมาฝันไม่เป็นคิดไม่เป็นเราะนั้นไปรู้เรื่องราวที่คิดที่ฝันเนี่ยกระทั่งสัตว์ก็ทําเป็นตัวสําคัญคือรู้ว่าใจไปคิดที่หลวงพ่อเทียนสอนนะรู้ว่าจิตไปคิดได้ต้นทางแนละ้ว พอรู้ว่า ar, ว thinking, out, จิตไปคิดนะจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาเกิดโลกของความรู้สึกตัวขึ้นมาจะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมามันให้เห็นกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ที่ขยับอยู่เนี่ยท่านให้ขยับไปเลยเห็นกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเลยเห็นทันทีนะไม่ต้องคิดเลยว่าเป็นเราไหมจะเห็นทันทีว่าไม่ใช่เราแล้วถ้าจิตเคลื่อนไหวทํางานขึ้นมาก็จะเห็นทันทีว่าไม่ใช่เราอีกตัวเราไม่มีเฉะนั้นถ้าใจหนีไปคิดให้รู้ว่าไปคิด ให้รู้อาการที่ใจหนีไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะถ้ารู้เรื่องที่คิดเป็นสมมติบัญญัติหมามันก็รู้เหมือนกันไม่เห็นมันรู้อะไรแต่ถ้ารู้อาการที่ใจคิดเนี่รู้อารมณ์ปรมัติเรารู้จิตทนะี่คิดการรู้อารมณ์ปรมัติเนี่ยเป็นการทำมิปัสนาเราเห็นได้จิตจะคิดถ้ามันไม่ได้นะมันคิดของมันเองมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกอ่ะได้แค่นี้ต่แล้วเช้านี้ตรวจกันบ้านในสองคน หมู่นี้ไม่มีเครื่องรบ ก, กวนนะธรรมะมันโลดแล่นหน่อยแต่เชิญทานข้าว